ข้าพเจ้าพระภัยบรญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองอันจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลในเรื่องคําสอนที่เป็นคําสอนของพุทธเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราได้บอกด้วยสอนเอาไว้มาให้ข้อมูลในเรื่องธรรมะนี้นก็มีหลากหลายแงยม่มุมมาใกล้ครวญทําความเข้าใจในเรื่องของธรรมะ คือธรรมะเนี่ยนะธรรมะฝังที่มันมีอยู่ตามตำราในหนังสือนังหาโดยนี้ก็เป็นสื่อแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็น MP3 เป็นภาพเป็นวิดีโอเป็นหนังสือเป็นตัวอักษรที่อยู่ในใบรานเป็นสมุดหรือว่าเป็นสื่อประเภทนูนนิตยสารรูปเล่มเป็นข้อมูลใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาส่งต่อกันมาให้เราเราได้รับรู้อาจจะเดินทางไปซื้อบ้างอะไรบ้างอันนี้คือส่วนหนึ่งเป็นธรรมะอยู่ แต่เป็นธรรมะที่ยังอยู่ภายนอกคือใครเขารู้อะไรอย่างไงเขาก็เขียนออกมาที่บายออกมาเป็นอย่างนั้นพระพุชธาของเรารู้อย่างไรก็อธิบายออกมาเป็นเสียงไว้คนก็ทรงจํากันมาเขียนใส่ไว้ในตํำราครูบาอาจารย์ตรงนั้นพระวาชาคนนี้รู้อะไรก็ขเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้เอามาเป็นข้อมูลอย่างที่เราได้เห็นได้ทราบกันข้อมูลเหล่านั้นเรามาศึกษาใกล่ครูนทำความเข้าใจในการศึกษาใรกล้ครวนทําความเข้าใจเนี่ย มันก็เข้าไปอยู่ในสมองของเราอยู่ในสมองของเร า, เราจําได้ในข้อมูลธรรมะที่อยู่ในสมองเราจําได้นี้เป็นข้อมูลระดับที่สองอาจจะทําเรื่องกัรหน้าได้การหน้มีอะไรบ้างอาจําได้การหน 5, ้าควรต้องเห็นยังไงอันนี้จําได้เหล่านะพระเจ้าเกิดที่ไหนจําได้พระเจ้าแต่สรุปมาไหนจําได้เรานะรู้หมดจําได้แนะไม่ต้องดูหนังสือก็จําได้อันนี้เป็นระดับที่2ที่ยังอยู่ในอยู่ในสมองของเราเหล่ระดับที่3ามนั่นคือ ข้อมูลที่จะเข้าไปอยู่ในใจของเราเนื้อใจกับสมองนั้นมันคนละอย่างกันสมองนั้นคือระบบความจําที่จําอยู่ในเนื้อสมองเป็นเซลล์ประสาทเป็นระบบประสาทที่สามารถเก็บข้อมูลต่างๆได้จะพูยง่ายๆก็เหมือนกับฮาร์ดดิสในในคอมพิวเตอร์หรือเหมือนกับหน่วยความจําในโทรศัพท์มือถือแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเจ้าหน่วยความจําในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆแต่มันไม่อาจจะ มาเข้าใจความหมายตรงนั้นนั้นได้เราจะใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารตรือนี้ก็ระบบเป็น artificial intelligence AI ใช่เข้าใจความอะไรต่างๆได้วิเคราะห์ได้แต่มันไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเห น, นที่เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภาษาต่างๆที่มากระทบเนี่ยไอ้เจ้าพวกคเครื่องมือคเครื่องไม้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์พวกนี้มันไม่มีจิตไม่มีใจที่จะมารู้สึกสิ่งต่างๆไปตามนั้นอันนี้เปรียบจไม่ ฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงสมองก็เหมือนกันสมองของเรานะรับรู้เก็บความจําข้อมูลต่างๆแล้วแตนะ่มันก็เป็นไปตามนั้นแหละมันก็เก็บเอาไว้เฉยๆแล้วยังไงคนที่จะมารู้มาเข้าใจทําไมได้มันเข้าใจที่จิตใจของเรานะจิตนี้เป็นระดับที่3ที่ว่าเมื่อธรรมะเราจําได้ใกล้ค ร, รวนพิจารณาดูแล้วมันจะเข้าสู่ใจใจใเราจะเย็นใจเราจะวางใจเราจะสบายใจเราจะถึงความดับทุกได้ เระฉะในวันเนี่ยเรามาพัฒนาเดี๋ยวเรามาฝึกในการที่จะเอาธรรมะที่เราฟังผ่านเข้าหูเนี่ยบางคนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือสมสมองนี่เก็บไม่ได้เอาเราอุดไว้หูหนึ่งเดี๋ยวฟังหูหนึ่งให้มันคงค้างอยู่ในสมองบ้างจากที่ความรู้ความเรียนความเข้าใจสิ่งไหนที่จําได้รู้มาผ่านตาผ่านหูเอาเก็บไว้ในสมองได้บ้างใช่ไหมเรามาทําความรู้จากในสมองให้เข้าสู่ใจ มันห่างกันไม่มากแต่แค่ประมาณฟุตเดียวประมาณสัก30ซนเมตรจากหัวสมองไปถึงหัวใจและจิตดแจ๊ของเราก็ไม่ได้อยู่ตรงหัวใจโด้วยซ้ำมันไปทั่วเดี๋ยวไปเรื่องอดีตเดี๋ยวไปเรื่องอนาคตเดี๋ยวไปหาคนนั้นเดี๋ยวไปสถานที่โน้นแนวคิดวิ่งวุ่นแส่สายไปทั่วไปหมดเวลาที่มันคิดวิ่งวุ่นแส่สายไปทั่วทุกทิศทุกแดนเพราะฉะนั้นจิตที่จะมารับรู้ไอ้เจ้าความรู้ที่อยู่ในสมองเนี่ยมันจึงต้องนิ่งพอสมควร ซึ่ในความนิ่งตรงนี้เราก็พูดถึงเรื่องของการทาสมาธินั้นเองคือการที่เราทําจิตนั้นให้มีอารมณ์เป็นอันเดียวการที่มาทําจิตให้มีอารมณ์เป็นอันเดียวนั้นก็เพื่อที่จะให้มีเกิดความเข้าใจในเรื่องธรรมะต่างๆแต่โดยมาฟังได้ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งมาที่มันมีความสําคัญมีความลึกซึ้งมากๆเนี่ยเราได้ข้อมูลนี้มาแล้วเนี่ยเหมือนอย่างบางคนได้รายแทงสมบัติมาลายแทงกลุ่มสมบัติเนี่ยเขาจะต้องมา พิจารณาไคร่ควรดูว่าแมหมลายแทงนี่มันหมายความว่ายังไงมันอยู่ที่ไหนจต้องเดินทางอะไรไปยังไงลักษณะนั้ น, น, นเหมือนการท่านฟังความรู้ของ ป, ปุโรหิตเนี่ยเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆเป็นเหมือนหลายแทงเป็นเหมือนเส้นทางที่จะไปสู่คุมสมบัติเส้นทางที่จะไปสู่สมบัติที่มันมีค่าอย่างมากมายมหาศาลาพะเราได้รู้ได้ฟังข้อมูลเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยจึงควรอย่างยิ่งท่านฟัง ที่เราจะมาใคร่กรวนพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้ง ต, ตัวอย่างในเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นหลายๆครั้งในสมัยพุทธกาลดูอย่างท่านพระราหุลเราได้ฟังเรื่องของท่านพระราหุลกันบ้างที่ตอนนั้นพระุทเจ้าได้บอกท่านพระราหุละบอกว่ารูปเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยก็ควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วก็ไม่ใช่แค่รูปอย่างเดียวเท่านั้นนะ ย่งวมถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณด้วย5อย่างนี้เป็นสิ่งที่เราควรเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญมากนะเอาฟังแค่นี้สั้นๆแค่ประมาณประโยคเดียวแค่หนึ่งย่อหน้าเนี่ยเป็นข้อมูลที่สําคัญมากเหมือนกับลายแทงที่จะไปสู่กลุ่มทรัพย์มรณาสารพอท่านพระหุ่นได้ยินข้อมูลตรงนี้ตะนั้นตะมฟังแม่ต้องเอามาวิเคราะห์ใคร่ครวนเนะี่ยจะไปกินข้าวก่อนมันจะเสียเวลา ไปวิเคราะห์ใคลครวนตรงนี้ให้มันเห็นจำแจ้งทีเดียวแต่ว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยหมายถึงยังไงเราจะทําจิตอย่างนั้นอย่างไรพิจารณาอย่างไรมาใคลครวนตรงนี้เราลองใคลครวนกันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เทาหวังจะลืมตาจะหลับตาจะทํากิจกรรมใดๆอยู่บางคนทากับข้าบางคนขับรถบางคนนั่งเฉยๆบางคนยังนอนไม่ตื่นคือตื่นแล้วแต่ยังไม่ลุกก่อนลุกซะแต่มาใคลครวนข้อความตรงนี้ที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้แต่บอกว่าเจ้ารูปเนี่ยมันไม่เที่ยง รูปที่ไม่เที่ยงนั้นควรที่จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเรารูปนี้คือรูปของใครก็รูปของเราก็ได้ร่างกายของเรานี้ก็ได้หรือว่าร่างกายของคนอื่นก็ได้อาจจะเป็นรูปอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปลักษณะของร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นตู้โต๊ะเตียงเฟอร์นิเจอร์บ้านหลังคาหรือว่าภูเขาท้องฟ้าต้นไม้พวกนี้่เป็นลักษณะที่เรียกว่ารูปทั้งสิน้น ถ้ามันมารวมกันในลักษณะที่ออกมาเป็นร่างกายมนุษย์ก็เป็นร่างกายมนุษย์ถ้ามันมารวมลักษณะที่เป็นรถยนต์ก็เป็นรถยนต์ถ้ามันรวมลักษณะที่เป็นข้าวของเครื่องใช้อื่นๆมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปแต่ว่ามันจะมีองค์ประกอบที่เรียกว่าธาตุทั้ง4อยู่นั่นคือธาตุสีดินน้ำไฟลมแต่ธาตุสอย่างนี้มีอยู่ในรูปต่างๆังจะเป็นรูปที่เห็นเป็นธาตุดินเป๊ะๆเช่นแผ่นดินปูนซีเมนต์หรืออะไรที่เป็นของแข็งของหยาพวกเนี้ เห็น <het en> ได้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุดินนะหรือว่าอาจจะเป็นรูปเสมือนรูปแฝงนะที่อาจจะมีธาตุดินปอนอยู่ด้วยอย่างกายของเราในะส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อเนี่ยกดลงวมก็นิ่มลงไปได้นตะ่นก็เป็นลักษณะรูปแฝงนะที่มีน้ําผสมอยู่ด้วยมีธาตุไฟผสมอยู่ด้วยมีธาตุลมผสมอยู่ด้วยและไม่ว่าจะเป็นรูปแฝงในลักษณะไหนก็ตามนะร่างกายของเราที่มีความแข็งส่วนในที่มีความแข็งเป็นก้อน อ, อวัยวะต่างๆหัวใจตับปอดเล็บกระดูกพวกนี้เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินเป็นส่วนใหญ่แต่ช่วนประกอบอะไรที่มันเป็นของเหลวมีความเอิบอาบมีความเปียกชุ่มนั้นไหลไปได้เช่นเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำหนองพวกนี้แต่พวกนี้ในนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีธาตุดินนะอย่างในเลือดของเราก็จะมีแร่ธาตุองค์ประกอบสารต่างๆที่อยู่ในเลือดที่มันไหลไปได้แต่มันก็มีองค์ประกอบของธาตุดินอยู่ แต่ว่าธาตุน้ํามันมากกว่านะเราก็เลยเรียกตัวนั้นว่าเป็นธาตุน้ําำเป็นสิ่งที่ประกอบมีองค์ประกอบขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นรูปเสมือนแต่ส่วนธาตุไฟคือของที่เป็นความร้อนอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปของเปลวไฟออกมาแต่ว่ามันมีความร้อนอยู่ในนั้นไอ้ที่เราจับแล้วมันเย็นๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีความร้อนแต่มันก็มีความร้อนอยู่น้อยๆหนึ่งมันก็เลยเย็นเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเย็นความร้อนที่อยู่ในร่างกายอันนี้เป็นธาตุไฟทั้งสิ้นเป็นธาตุที่มีรูปเสมือน อาจจะไม่ได้ปรากฏเป็นรูปเปลวไฟอย่างที่ว่าหรือจะเป็นภายนอกภายในก็ตามอย่างที่เราเห็นฐานเพลิงอย่างเงี้ย่านแดงๆแต่ไม่มีเปลวไฟนะมันก็มีความร้อนตรงนั้นก็เรียกว่ามีธาตุไฟเหมือนกันแล้วก็มีธาตุดินด้วยเพระว่าไอ้เจ้าถ่านนี่มันเป็นลักษณะของธาตุดินก็มีทั้งธาตุดินธาตุไฟอยู่ในตัวฐานตรงนั้นจะมีเปลวไม่มีเปลวต่อให้มีความร้อนก็มีธาตุไฟอยู่ในนั้นร่างกายเราก็เหมือนกันมีความร้อนอยู่แต่ไม่มีเปลวในร่างกายเรามีธาตุไฟ ธาตุลมก็มีนั่นคือของไหนที่มันเป็นลักษณะว่าลมพัดพาไปได้เช่นลมหายใจเข้าลมหมยใจออกแต่นั้ถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยคืออากาศที่มันมีการเคลื่อนที่ไปทั้งหมดนั่นนี้จะเป็นตัวลมดังนั้นมันจะมีปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายที่ทําให้มีธาตุลมเกิดขึ้นเช่นเวลา ย, ย่อยอาหารแล้วมันก็มีธาตุลมออกมาเบื้องล่างบางทีกินอาหารอยู่ก็มีธาตุลมตีขึ้นมาเบื้องบนแต่พวกนี้เป็นลักษณะของธาตุสีดินน้ําไฟลม อยู่ในร่างกายของเราตอนนี้พอไอ้เจ้าธาตุสี่มันมาประกอบกันเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างตามจุดต่างๆอย่างเวลาที่เราเอาเสาตั้งขึ้นเร้เอาหลังคาครอบลงไปเป็นลักษณะของบ้านหรือเป็นศาลาอย่างนี้มันก็จะมีช่องว่างอยู่บริเวณใต้หลังคาเป็นอาคารขึ้นมาให้เราใช้งานได้นั่งได้นอนได้ตรงนี้คือเราสร้างช่องว่างขึ้นมาโดยอาศัยเสาโดยอาศัยเรือนโดยอาศัยหลังคาสร้างเป็นช่องว่างให้เกิดประโยชน์ให้เกิดการใช้งานได้ อย่างห้องคุณที่คุณอยู่นอนทำกิจกรรมอื่นๆไดๆ้ทำงานพวกนี้นันก็เป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการที่เราก อ, อิดหินปูนทรายมาก่อมาทำเป็นรูปเป็นร่างออกมาให้มีช่องว่างที่เราจะใช้งานได้ในร่างกายของเราก็มีช่องว่างต่างๆเหล่านี้เหมือนกันนั่นคือเซลล์มันประกอบขึ้นล้อมกันเป็นวงมันก็เป็นช่องเป็นท่อเอาให้อากาศไหลไปได้ให้เลือดไหลไปได้ให้เนื้อมาบรรจุอยู่ ในช่องว่างที่มันไม่มีเนื้อไม่มีเลือดบรรจุอยู่เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นช่องว่างให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันไหลไปมันผ่าไปนั้นก็เรียกว่าเป็นธาตุช่องว่างคือความว่างๆอยู่แต่มันเป็นธาตุอย่างหนึ่งแล้วที่มันจะใช้ประโยชน์ได้จากความว่างของมันตรงนั้นธาตุต่างตอางล่านี้ทต้องวาง5้าอย่างอยู่ในร่างกายของเราเป็นการขยายความที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้กับท่านพระราหุลที่พูดถึงว่ารูปเนี่ยมันไม่เที่ยงรูปแยกแยะแจกแจงได้ เป็นธาตุห้าอย่างเหล่านี้หลักๆก็คือ4ีธาตุธาตุสีดินน้ําไฟลมคนเราพอได้ข้อมูลนี้เรามาพิจารณาพิจารณาเนี่ยไม่ใช่คิดในสมองท่างฝังแต่ให้น้อมเข้ามาสู่ใจของเราน้อมเข้ามาสู่ใจของเราว่ากายของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมในกายของเรามีหนังไหมมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยตับหัวใจปังผือพวกนี้เป็นลักษณะของธาตุดินอยู่ในกายของเรานี่เอง อยู่ในกายของเราถ้าน้ําก็มีเลือดน้ําเหลืองน้ําหนองน้ําลายพวกนี้มีอยู่ในกายของเราเอ๊ะเราพวกนี้มันมาจากไหนไงมาจากไหนมันก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปคุณกินอะไรกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินสเต็กกินขนมจีบซาลาเปากินพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ไปย่อยในร่างกายผ่านไปทางช่องว่างช่องว่างที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วมันจะผ่านไปผ่านไปมันก็ย่อยสลายแต่ให้มันเล็กลง มันก็กลายเป็นโมเลกุลเล็กๆแต่เป็นอะตอมเป็นธาตุเล็กๆผ่านไปตามระบบกระแสะเลือดเข้าไปพอกพูนในกระดูกบ้างเข้าไปพอกพูนในอวัยวะต่างๆบ้างออกมาเป็นอวัยวะต่างๆเด็กมันโตขึ้นมาได้ตามฝั่งเติบโ ต, ตขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยพวกข้าวสุกและขนมสดพวกนี้แหละอะไรๆที่คุณกินเข้าไปเป็นข้าวเป็นน้ํามันก็โตมันก็ใหญ่ขึ้นมาอาอวัยวะที่ใหญ่ที่โตที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาได้ก็เพราะอาหารที่เรากินเข้าไป มันก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละไฟเกิดขึ้นมาได้เพราะมีการเผาผลาญอาหารอาหารที่เรากินเข้าไปเผาผลาญนั่นก็เป็นธาตุดินาาะมีน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงทําให้มันเคลื่อนไปตามจุดต่างๆได้ธาตุลมก็ช่วยในการที่จะให้ไม่เกิดการสันดาปในกายของเราเพราะกายเรามีพวกปฏิกิริยาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมันไม่ต่างอะไรกับธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อยู่ข้างนอกธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อยู่ข้างนอกผ่านกระบวนการ ok ต่างๆมันก็กลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อยู่ในกายของเรา จะเป็นภายนอกจะเป็นภายในก็ชื่อว่าไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นธาตุสี่เหมือนกันจะมีอยู่ในที่ไกลหรือจะอยู่ในที่ใกล้ก็เป็นธาตุสี่ในน้ำไฟลมเหมือนกันหรืจะเป็นไปในอดีตหรือเป็นไปในอนาคตหรือที่อยู่ในปัจจุบันจะเป็นเมื่อวานนี้วันนี้หรือว่าเมื่อนนี้จะเป็นเดือนที่แล้วเดือนนี้หรือเดือนหน้าจะเป็นปีที่แล้วปีนี้หรือปีถัดไปมันเหมือนกันเหรือจะเป็นธาตุสี่อย่างนี้เหมือนกัน จะเป็นของที่เป็นของหยาบหรือว่าของละเอียดข้าวกล้องก็หยาบหน่อยข้าวสวยก็ละเอียดหน่อยจะเป็นของที่ประณีตหรือเป็นของที่เลวแต่เช่นคุณใช้ปากกาด้ามละสามบาทก็ได้หรือคุณจะใช้ปากกาด้ามละหมื่นบาทมันก็ธ า, าตุสีออ่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาพิจารณาให้เห็นว่าออมมันเป็นอย่างนี้เป็นธาตุสี่เหมือนกันดินน้ำไฟลมเหมือนกันนะมันวนเวียนสะสารต่างๆเปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนจากรูปนี้เป็นรูปอื่นเปลี่ยนจากสีนี้เป็นสีอื่นเปลี่ยนจากอดีตเป็นอนาคตปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากหยาบเป็นละเอียดละเอียดเป็นหยาบหมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปกันอย่างนี้ไอ้สิ่งของที่มีลักษณะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าควรที่จะเห็นว่านั่นเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานั่นเนี่ยไม่ใช่เป็นเราตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นของเราทําไมถึงควรเห็นอย่างนั้น เพราะว่าถ้าเราเห็นว่ามันเป็นตัวเรามันเป็นของเรามันเป็นตัวตนของเราเราควรจะต้องสั่งมันได้นะว่ามันจะต้องให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้ให้อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าให้มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าสีดินน้ําไฟลมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยถ้าบอกว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นมันก็ต้องร้อนน่ะถ้าอุณหภูมิมันต่าลงเราก็จะรู้สึกเย็นถ้ามีอันนี้มันบวกอันนี้มันก็ต้องเป็นอันนั้นน่ะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลง หมุนเวียนไปตามปฏิกิริยาตามเหตุปัจจัยของมันซึ่งเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมดาอยู่อย่างนั้นเราจะไปบังคับว่าอ่าไม้คุณต้องละลายออกมาเป็นน้ําเอาไม้มันไม่ใช่น้ําแข็งมันจะละลายเป็นน้ําได้ไงตอนทีคุณเอาน้ําแข็งมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิศูงนย์องศามันก็ไม่ละลายเป็นของเหลวอยู่ดีอะถ้าความดันตามปกติเอาเราก็ต้องปรับความดันถ้าเราปรับความดันแล้วถูกต้องแล้วแต่เราลดอุณหภูมิอย่างไร มันก็ไม่แข็งขึ้นมาได้มันเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มันมีการปรุงแต่งเราจะไปบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็พอได้บ้างนะเพื่อนฟังพอได้บ้างพอจะสร้างเหตุปัจจัยอะไรต่างๆให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการอันนี้พอจะได้บ้างอยงเช่นเรากินอาหารเผ็ดกุณก็จะรู้สึกร้อนกุญอาหารที่มันไม่เผ็ดกุณก็จะรู้สึกอีกแบบหนึ่งมันก็เป็นไปตามพอที่เราจะสร้างพอที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเงี้ยพอจะได้บ้างแต่แต่มันจะไม่ได้ทุ <encia> ในไอการที่เราจะไม่สามารถทําให้มันไปตามที่เราต้องการควบคุมได้ไปทุกครั้งไม่สามารถที่ทําให้มันเป็นไปตามต้องการตลอดเวลาเนี่ยตัวนี้จึงเป็นปัญหาเป็นปัญหาถึงความไม่เที่ยงของมันว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างอื่เป็นธรรมดาเราพิจารณาตรงนี้ให้เห็นปุ๊บเราจะมีความเข้าใจว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะไอสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเราต้องทําการศึกษาให้เข้าใจใได้ว่าสิ่งเนี้ยเราไม่ควรจะมาเป็นตัวเรา เราไม่ควรที่จะมาเป็นของเราเราไม่ควรที่จะเอามาเป็นตัวตนของเราสิ่งไหนก็ตามที่มันไม่เที่ยงเราอย่าไปเอามาเป็นตัวเราของเราก็มันไม่เที่ยงมันก็ไม่ดีถูกไหมล่ะอะไรที่มันไม่เที่ยงไม่ดีแล้วคุณจะามาเป็นของคุณทำไมเออนั่นแหะสิเนาะเอาเราก็อย่ามาเป็นของเราแต่เร า, าก็พยายามที่จะวางที่จะละที่จะคลายกําหนัดคลายความยึดถือในสิ่งนั้นได้เราจะละวางคลายกําหนัดคลายความยึดถือในสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตายอย่างนี้ได้เนี่ยจิตคุณต้องมีกําลังนะ เราจะต้องมีกําลังเพราะงั้นการที่อย่างท่านพระราหุลเนี่ยแบบไม่กินข้าวเราไปวิเคราะห์พิจนารณาเนื้อหาที่พระเจ้าได้อธิบายบอกสอนไว้เนี่ยเป็นการที่จะสร้างกําลังให้จิตของตัวเราเองอย่างเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยทำไมมันถึงเหนื่อยแต่นะเพราอ้ความเหนื่อยตรงนั้นเนะ่ยเป็นตัวที่จะสร้างกําลังให้ร่างกายของเราแต่นะเราออกกําลังกายก็ต้องมีเหงือ่อ น, นี้ก็ธรรมดาแต่ความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกเมื่อยเนี่ยเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่จะทํา ร amigo, set, ่างกายขอเราให้มีความแข็งแรงขึ้นมาแต่พอร่างกายเรามีความแข็งแรงก็จะมีการเบากายล่ะสุขภาพก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราจะคาดเดาวได้หลังจากทีาเคยได้ยินคนหนึ่งเขาพูดบอกว่าเขาก็ชอบวิ่งนะเขาไม่ได้เกลียดการวิ่งไม่ได้เกลียดการออกกําลังกายหรอกแต่ไม่ชอบเหนื่อยไม่ชอบเวลาที่เหงื่อมันออกเขาก็ไอการที่เหงื่อออกการที่เหนื่อยนั่นแหละมันเป็นผลที่จะทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นถ้าคุณไปออกกำลังกายโดยยังไม่ทันเหนื่อยมันก็ไม่เกิดประโยชน์มากเท่าไหร่ อันนี้เหมือนกับเวลาที่เราฝึกจิตเลยจำฝังหลัการที่เราไปออกกำลังกายก็เหมือนกับการที่เราฝึกนั่งสมาธิเอาความรู้สิ่งที่พระเจ้าบอกเอาไว้เนี่ยเป็นความรู้ของพระองค์เนี่ยมาใค ร, ร่ครวรทําให้เกิดความรู้ขึ้นในใจของเราแล้ามาความรู้นี้มาใค ร, ร่ควรพิจารณาเอาคุณรู้ได้นในระดับหนึ่งอยู่ที่สมองใช่ไหมเฮ้จะทํำความรู้นี้ไงให้เข้าถึงใจได้มันต้องเจอภาษาไงาำฝังเจอภาษาที่น่าพอใจบ้างเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจบ้าง เจอแล้วก็เหมือนกับความเหนื่อยที่เราจะต้องเผชิญตอนที่เราออกกําลังกายพอเราเจอปัจจัที่น่าพอใจไม่น่าพอใจแล้วตรงเนี้ยคือถ้าเราทรงจิตไว้แบบเดิมได้นใจเราเหมือนเดิมได้จิตคุณก็แข็งแกร่งขึ้นจิตคุณก็มีกําลังมากขึ้นเปรียบเหมือนกับคนที่ออกกําลังกายแล้วเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็หายเหนื่อยแล้วมันก็ดีขึ้นร่างกายก็จะค่อยมีสุขภาพดีขึ้นไปไม่เลนคือคนที่ออกกําลังกายแล้วทําไม่ถูกเลยเถอดไปจนถึงทําให้ร่างกายบาดเจ็บ แต่คนที่ออกกำลังกายจนเหนื่อยหรือผิดท่าผิดทางไม่ได้วอร์มอัพก่อนพอทําไปทำไ ป, ำไปอ้าวเกิดการบาดเจ็บขึ้นอาการบาดเจ็บนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะเวลาคนออกกําลังกายเขาไม่ต้องการให้บาดเจ็บแต่ต้องการให้สุขภาพดีอาการเหนื่อย น, นี่เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกัรคนนั่งสมาธิปฏิบัติภาวนานะเพื่อที่จะกลายความยึดถือแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเจอผัญหาแล้วเรายึดถือน่ะทำหวังนั่นนะคือคุณบาดเจ็บละเลยเติบเป็นถึงจุดบาดเจ็บ แ, บบแต่พอเราเจอปัญหาที่ไม่น่าพอใจ เราเจอภาษาที่พอใจอันนี้คืออาการเหนื่อยธรรมดาแต่มันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าเราตั่งสมาธิจเจริญภาวนาแล้วก็จะยิ้มตลอดเวลาละมีความสุขมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็จะเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจบ้างเช่นเดี๋ยวกันเวลาเราออกกําลังกายก็เหนื่อยก็เมื่ออันนี้ก็ธรรมดาเหมือนเรานั่งสมาธิแล้วนมันก็ต้องมีภาษามันเป็นเครื่องทดสอบว่าคุณมีกําลังจิต ข, ของคุณดีถูกต้องหรือไม่อย่างไรไม่เลยเธอขนาดที่ว่าเหนื่อยแล้วจนกระทั่งร่างกายระบาดเจ็บ เน่ยคือถ้าราบาดเจ็บก็คือมีผัสสนั่นมากระทบของผาษาที่ไม่น่าพอใจนี่แหละเราก็ไปยึดถือว่าโอ้นี่เป็นตัวเราของเราอารมณ์นี้เป็นของฉันฉันเป็นอย่างนี้อันนั้นคือเข้าข่ายบาดเจ็บละจิตเราก็จะวันไว้ไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นถ้าพูดอย่างนี้บางคนก็จะเข้าใจว่าเอางั้นก็ไม่ต้องออกกำลังกายสิจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บคือถ้าไม่ออกกําลังกายโรคไปแคเจ็บก็รุมเร้าเหมือนกันบางคนอาจจะคิดว่าเอาทั้งงั้นฉันก็ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องถูกข้อสอบ แต่พราหระน่าพอใจไม่น่าพอใจแต่ถ้าเราไม่นั่งสมาธิก็เหมือนคนไม่ออกกําลังกายนะโรคภัยแค่เจ็บก็จะรุมเรา้าโรคของจิตต่างๆเวลามีปัญห า, ามากระทบนะมันปล่อยวางไม่ได้เพราะจิตไม่มีกําลังไม่มีความแข็งแรงดังนะั้ถูกโรคภัยก็คือเจ้ากิเลสตัณหาวิชานี่รุมเร้ากัดกินจิตใจของเราไหนมีความอ่อนแออ่อนแออ่อนแล้วก็ออนแอลงไปดังนะั้จึงต้องมีการที่จะฝึกจิตให้มีกําลังให้มีพลังอุปมาอุปไมยอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้ายกในใ น, ในพระสูตรหนึ่ง ที่อธิบายถึงว่าจะต้องเห็นมันเป็นลักษณะว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเนี่ก็ได้เคยตรัสไว้ในอีกประศุดหนึ่งที่ได้อุปมาอุปไม้เรื่องของรูปที่มันมีความไม่เที่ยงเป็นความอนัตตาเนี่ยเหมือนกับก้อนฟองน้ําก้อนหนึ่งที่ลอยมาตามแม่น้ํำคงคาฟองน้ํานี้ไม่ใช่ฟองน้ําที่เราล้างจานนะท่านฟังอย่างฟองน้ําที่เราล้างจานเนี่ยมันจับ ย, ยังเป็นก้อนก้อนใช่ไหม ใช้ล้างใช้ถูใช้ขัดตรงนี้ได้อันนี้ก็เรียกว่าก้อนฟองน้ำเหมือนที่เราจับได้ใช้ล้างจานแต่คําที่พระเจ้ายกอุปมาเนี่ยจริงควรจะเรียกว่าโฟมมากกว่าอย่างโฟมที่เขาใช้ล้างหน้าเนี่ยมันเป็นโฟมโฟมอยู่ในมือของเราเนี่ยเวลาบีบเข้าไปปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรมันก็สลายกลายเป็นน้ําไป น, น, นี่คือลักษณะโฟมแต่คืไม่ใช่โฟมที่เขาทําเป็นกล่องโฟมที่เก็บอาหารเย็นหรืออาหารร้อนก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นโฟมน้ําก็จะเรียกจากนี้ก็น่าจะถูกอยู่ เป็นโฟมน้ําที่เกิดขึ้นจากเวลาที่น e ้ํามันตีกันแล้วมันเกิดเป็นฟองขึ้นฟองที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหมือนกับกลุ่มก้อนของฟองอากาศที่มันรวมเกาะกันเกาะกันเกาะกันจนกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาหรือถ้าท่านผู้ฟังเคยเห็นเวลาที่น้ําเสียเขาตีกันเนี่ยน้ำที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นน้ําที่เสียเสียเนี่ยนะเวลาตีกันเนี่ยมันก็จะเป็นโฟมเป็นฟองขึ้นหรือน้ําที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนมันแรงแรงเนี่ยมันกระทบกับน้ําที่ ไหลอยู่ข้างล่างเนี่ยมันตีกันมันก็จะเป็นฟองขึ้นมาแต่ถ้าเผื่อว่าน้ํามีแรงตึงผิวสูงไอ้ฟองน้ําที่มันตีขึ้นตีขึ้นเนี่ยมันก็จะเกาะลงกันเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นมานะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับโฟมล้างหน้าของเรานี่แหละแต่ไอ้ก้อนฟองน้ําที่มันจับกันเป็นก้อนที่ลอยมาตามแม่น้ำเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นมากนะซึ่งโฟมน้ําฟองน้ํากลุ่มก้อนตรงเนี้ยที่มันลอยมาตามแม่น้ําเนี่ยดูภายนอกเนี่ยมันเหมือนกับมันมีอะไรมันเป็นก้อนอะไร มันมีเงามีเหมือนมีมวลมีน้ำหนักอะไรต่างๆหรือตัวอย่างหนึ่งท่านฟังที่อาจจะเคยเห็นเรื่องปา์ตะหีที่เขาเอาโฟมเอาฟองอะไรมาฉีดเป็นงานบันเทิงเป็นงานปาร์ตี้ที่เขาเล่นกันในช่วงสงกรานเนี่ยก็เป็นลักษณะนั้นแหละแต่ไอ้ฟองน้ําโฟมน้ํากลุ่มคล่อนตรงนี้ที่มันลอยมาตามแม่น้ำเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นมากแต่ตัวอย่างที่พุทเจ้ายกถึงตรงนี้ซึ่งถ้าเรามาดูภายนอกดูผิวเผยเนี่ยโอ้มันเหมือนกับมีมวลมีน้ําหนัก นะมันมีแสงมีเงาเป็นกลุ่มก้อนลอยทุบ ป, ป่องตุบ ป, ปอมมาเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องเป็นรามันมีอะไรสักอย่า ง, างหนึ่งอยู่ในนั้นแต่แต่ถ้าเราแวะดูเอามือลูบเข้าไปดูมันก็เป็นฟองว่างๆมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเป็นของว่างของเปล่าเป็นของที่หาแก่นสารไม่ได้กายเราเหมือนกันถ้าเรานั่งฟองหอกพิจารณาดูกายของเราที่มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่เราเห็นว่าเออนี่เป็นตัวเรานะนี่ก็แขนของฉันนะนี่ก็ขาของฉันนะ นี่ตัวฉันนั่น น, นี่หัวฉันจมูกฉันปากฉันเออเป็นตัวฉันตัวเราของเราจริงๆนะเนี่ยแต่ถ้าเราพิจารณาโดยความเป็นธาตุละธาตุสีดินน้ำไฟลมเอ อ, อที่แข็งมันก็เป็นธาตุดินนะมันก็มาจากธาตุดินอาหารที่เรากินเข้าไปนีมันมาประกอบกันเป็นอวัยวะธาตุน้ําเราแยกแยะออกมาธาตุไฟแยกแยะออกมาธาตุลมแยกแยะออกมาอันไหนที่มันประกอบกันมีช่องว่างน็เป็นธาตุช่องว่างหนี่แยกแยะออกมาเนี่เราจะเห็นว่าเออตัวเรามันอยู่ตรงไหน แต่ตัวไอ้ที่มันเป็นตัวเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในเรื่องรถยนต์อ่ะบอกนี่คือรถยนต์ไหนรถยนต์มันอยู่ตรงไหนเอาประตูมาดูประตูก็ทําจากเหล็กตรงนี้ก็มีกระจกเอาเครื่องยนต์ออกมาดูตัวนี้ก็เป็นน้ํามันเครื่องอันนี้ก็เป็นน้ํามันเบนซินอันนี้ก็เป็นเหล็กอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมไหนไหนรถอยู่ไหนเอาแยกออกมาดูไหนเอาเบาะมาดูอันนี้ก็เป็นยางอันนี้ก็เป็นหนังอันนี้ก็เป็นผ้าเดี่ก็เป็นสปริงเป็นพลาสติกแยกมาดูไอ้รถมันอยู่ตรงไหนในความเป็นรถเนี่ยมันไม่มี ถ้าเราแยกแยกออกมาเช่นเดียวกันกายของเรากายของเราแล้วเราเห็นมันรวมกันเป็นก้อนเออมันตัวฉันนะชื่อนี้นามสกุลนี้สีผิวนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้เอาแยกออกมาดูแยกออกมาดูาดให้เห็นท่านสีดินน้ำไฟลมแยกแยกออกมาเนี่ยเราเฉยเ อ, อ้ยมันไม่มีตัวแฮะแต่พอมันประกอบเข้าไปเออมันมีตัวฮะหรือว่าอย่างชะลอมเอาคุณเอาไมา้ไผ่มามาทําเป็นจักสารนะเปาเป็นซิกซิก เอาเป็นสิ่งๆเสร็จประกอบก็มาเป็นฉลอมทำเป็นภาชนะใส่ของเป็นตะกร้าอะไรต่างๆอ้าเอาตะกร้าออกแยกๆมันออกเอาตอกที่ทําเป็นฉลอมขึ้นเป็นตะกร้าขึ้นเนี่ยเอาเออกทีละเส้นละเส้นละเส้นเอ๊ะ hey, นี่ ก, นก็นี่ก็เป็นเชือกนะใช้ผูมันติดกันอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่นะเอ๊ะแล้วชลอมอยู่ในตะกร้าอยู่ไหนมันไม่มีตัวตนนะคือมันเป็นของที่เกิดขึ้นแค่ช่ว similar. ระยะเวลาหนึ่ง ต, ตามที่มันมาประกอบกันอาไว้ถ้ามันประกอบเป็นท่าอื่น แล้วก็กลายเป็นตะกร้าและฉลอมไม่มีถ้าเอาเล็กมาประกอบกับพลาสติกเป็นอย่างอื่นมันก็กลายเป็นอย่างอื่นล่ะเขาประกอบกันเป็นหุ่นยนต์ก็เป็นหุ่นยนต์เขาประกอบเป็นรถยนต์มันก็เป็นรถยนต์เขาประกอบเป็นตู้มันก็เป็นตู้ขึ้นมาแต่มันประกอบกันแค่นั้นเองแต่มันอยู่กันชั่วขณะหนึ่งตามที่เหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นประกอบกันแบบไหนก็เป็นแบบนั้นตัวคนเรามันมีระบบยีนมันมีระบบการย่อยอาหารมันก็ได้ออกมาเป็นตัวคนตัวคนแต่ละคนก็ยังหน้าตาไม่เหมือนกันเลย ต่อให้หน้าตาเหมือนกันต่อให้หน้าตาเหมือนกันกลุ่มเรือก็จะต่างกันต่อให้กลุ่มเรือเดียวกัน DNA ก็ไม่เหมือนกันแต่ต่อให้ DNA คล้ายๆกันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนิสัยก็ยังต่างกันจิตก็คนละแบบกันนะมันมาอยู่ชั่วคราวท่านนอกแห่งคำว่า ง, างมาอยู่ชั่วเวลาแป๊บเดียวตามที่เหตุปัจจัยมันตั้งอยู่นี่แหละคือสภาวะที่เป็นอ น, นัตตานี่คือสภาวะที่มันไม่เที่ยงเวลาเราทำเหมือนคำว่งให้ทําอย่างธ่านราหุ่นนี่ เห็นความรู้ใดความรู้หนึ่งที่มันสุดยอดยอดเยี่ยมแล้วเอาไปพิจารณาทันทีอย่าเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องาเห็นแก่ลับแกนอนอเห็นแก่เหนื่อยแกเหนื่อยแต่ให้เห็นแก่ธรรมะว่าธรรมะที่ถ้าเราเอามาพิจารณาแล้วมันจะมีความดีความงามเกิดขึ้นในใจของเราเราเอามาพิจารณาเห็นมีความงามความดีเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนั่นแหละคือความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมันดีธรรมะดีดีธรรมะที่มันเนี๊ยบ ธรรมะที่มันเป็นของดีมีแต่เนื้อล่ำๆเป็นของที่เอามาใช้งานได้ทันทีเรามัาเข้าสู่ใจของเราผ่านทางการพิจารณาผ่านทางผัสาะนั่นแหละธรรมะที่จากหัวสมองจะเข้าสู่ใจของเราได้มันต้องมีผัสสะมันจะต้องมีการกระทบมันจะต้องมีเครื่องที่จะเปลี่ยนจากความรู้ที่อยู่ในสมองให้เป็นความรู้เข้าสู่ใจได้เพรา ะ, ะนั้นเวลาออกกำลังกายมันเหนื่อยความนเหนื่อยนั้นจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้น เวลาปฏิบัติธรรมะเจอผัสสะผัสสะนั่นแหละจะทำให้จิตใจเราดีขึ้นแต่อย่าให้มันเจ็บล่ะอย่าเอกไปเลยเถอจนถึงร่างกายเราเจ็บป่วยเราก็ต้องรู้ดูให้เห็นให้จิตใจงเรามีกําลังมีปัญญาในการที่จะค่อยฝึกค่อยทําไปเริ่ฟังเราฝึกเราทําไปอย่างนี้แล้วธรรมะจะเกิดประโยชน์กับในใจของเราเหมือนอย่างที่จะเกิดกับท่านปลาหุนท่านปลาหุนพิจารณาเห็นอยู่และมีความแจ่มแจ้งในธรรมะ เป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆที่คนก็บอกมาทำมาไม่ใช่แค่ว่าจำได้เฉยๆท่า น, นเป็นผู้หูสูดเป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาด้วยเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้ด้วยขาว้าพเจ้าพระมาภัยบุญอภพพิปุโนจากวัดป่าดนอนไอโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เชิญบัด